ภิกษุทั้งหลายอารัมพวัตถุเหตุประรบความเพียรแปประการนี้อารัมพวัตถุ8ประการอะไรบ้างคือหนึ่งภิกษุในธรรมวินัยนี้มีการงานที่ต้องทำเธอมีความคิดอย่างนี้ว่าเราจะต้องทำงานเมื่อเราทำงานการใส่ใจคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้า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 2. ภิกษุทำงานแล้วเธอมีความคิดอย่างนี้ว่าเราทำงานแล้วเมื่อทำงานก็ไม่สามารถที่จะใส่ใจคำสอนของพระพุทธเจ้าได้อยากกระนั้นเลยเราจะรีบปรารบความเพียรเพื่อถึงธรรมที่ยังไม่ถึงเพื่อบรรลุธรรมที่ยังไม่บรรลุเพื่อทาให้แจ้งธรรมที่ยังไม่ทำให้แจ้งเธอจึงปรารบความเพียร นี้เป็นอารัมพวัตถุประการที่สองสาิกษุต้องเดินทางเธอมีความคิดอย่างนี้ว่าเราจะต้องเดินทางการที่เราเดินทางอยู่จะใส่ใจคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้ามิใช่ทำได้ง่ายอยากกระนั้นเลยเราจะรีบปรารบความเพียร น, นี้เป็นอารัมพวัตถุประการที่สามสี่ ภิกษุเดินทางแล้วเธอมีความคิดอย่างนี้ว่าเราเดินทางแล้วเมื่อเดินทางก็ไม่สามารถจะใส่ใจคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าได้อยากกระนั้นเลยเราจะรีบปรารจกความเพียร น, นี้เป็นอรรมภวัตถุประการที่สี่ภิกษุเที่ยวบินทบาทตาหมบ้านหรือนิคมไม่ได้โพชนะเศร้าหมอง หรือประนีตบริบูรณ์เพียงพอตามต้องการเธอมีความคิดอย่างนี้ว่าเราเที่ยวบินทบาทตามหมู่บ้านหรือนิคมก็ไม่ได้โพชนะเศร้าหมองหรือประณีตบริบูรณ์เพียงพอตามต้องการกายของเรานั้นเบาควรแก่การงานอยากระนั้นเลยเราจะรีบประรบความเพียรนี้เป็นอรัมพวัตถุประการที่สี่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 อย่ากระนั้นเลยเราจะรีบปรารพความเพียร น, นี้เป็นอารัมพวัตถุประการที่ห 7. ภิกษุเกิดมีอาพาธขึ้นเล็กน้อยเธอมีความคิดอย่างนี้ว่าเราเกิดมีอาพาธขึ้นเล็กน้อยแล้วเป็นไปได้ที่อาพาธของเราจะพึงรุนแรงขึ้นอย่ากระนั้นเลยเราจะรีบปรารพความเพียร นี้เป็นอารัมพวัตถุประการที่เจ็ดภิกษุหายจากอาพาธแล้วแต่หายอาพาธยังไม่นานเธอมีความคิดอย่างนี้ว่าเราหายอาพาธแล้วแต่หายอาพาธยังไม่นานเป็นไปได้ที่อาพาธของเราจะพึงกลับกําเริบขึ้นอย่ากระนั้นเลยเราจะรีบปรารบความเพียร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 กุศตารรมวัตถุสูตรที่ส0บจบ